มากขึ้น3 0 0ร้อถึงสี่หน้าคือส่วนแทรกหรือส่วนแถมหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับขยายนี้เมื่อเทียบปริมาณเนื้อหาหนังสือตมามัตราความจุของพุทธธรรมฉบับปรับป ร, รุงและขยายความเล่มเดิมปรากฏว่ามีปริมาณเนื้อหามากกว่าเก่าประมาณ300้ถึง400หน้าจึงต้องตอบคําถามว่าเธอไม่ได้เขียนขยายเพิ่มเติมแล้ว เนื้อความที่มากขึ้นไม่น้อยนี้คืออะไรมาจากไหนอย่างไรถ้าตอบสั้นๆก็บอกว่าข้อมูลเนื้อความที่มากขึ้นเหล่านั้นเป็นเรื่องแทรกและส่วนแถมในระหว่างหมายความว่าระหว่างที่ตรวจจัดข้อมูลไปนั้นพบเห็นตรงไหนควรทำให้ชัดเจนมากขึ้นควรแก้ไขถ้อยคาสำนวนให้เหมาะยิ่งขึ้นมีเรื่องราวเสริมความ ที่ควรแทรกใส่ไว้เพื่อให้ได้สาระครบถ้วนสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเป็นต้นก็แทรกก็แถมไว้คือตรวจจัดไปก็แทรกไปแถมไปจนจบข้อมูลที่ได้รับมาก็ยุติเป็นอันเสร็จไม่ทำต่อไปอีกเรื่องแทรกและส่วนแถมนั้นหลายแห่งไม่ใช่แค่ข้อความสั้นๆหรือเรื่องเล็กๆน้อยที่เขียนขึ้นเฉพาะหน้าแต่มีอยู่ในแหล่งข้อมูลเก่า ที่เขียนคู่มันกับหนังสือพุทธธรรมในยุคที่เป็นเล่มนิ่งตายตัวนั่นเองหมายความว่าเมื่อเขียนปรับขยายเพิ่มเติมในเล่มหนังสือนั้นไม่ได้ก็ไปเขียนขยายหรือเพิ่มแง่ไว้ที่อื่นสุดแต่มีโอกาสขอยกตัวอย่างให้เห็นชัดขึ้นเมื่อหนังสือพุทธธรรมจะบับปรับปรุงและขยายความออกมาไม่นานก็มีผู้ศรัทธาที่ขอพิมพ์แยกเฉพาะบางบทเป็นเล่มย่อย ไม่พิมพ์ทั้งเล่มใหญ่จึงทำให้ได้พิมพ์ข้อมูลใหม่ที่ไม่มากนักซึ่งพอทำไววบางทีมีผู้ขอพิมพ์แยกเป็นเล่มย่อยในต่างโอกาสต่างวาระมีหลายบทเช่นบทที่สามห้า8 21 22าที่แยกออกพิมพ์เพียงบางส่วนไม่เต็มบทก็มีเช่นทางสายกลางสัมมาสติเมื่อทำหนังสือที่แยกออกมาเป็นเล่มเล็กๆอย่างนั้น ก็เลยเป็นโอกาสให้เขียนแทรกเพิ่มขยายความได้ตามที่คิดไว้แล้วรออยู่แต่ไม่ใช่จะเพิ่มขยายได้ทุกเล่มทุกเรื่องบางบทที่ขอพิมพ์เร่งด่วนหรือตรงกับระยะที่มีงานอื่นยุ่งอยู่ mm. ก็ต้องปล่อยให้พิมพ์แค่ตามเนื้อหาเดิมในเล่มใหญ่บางบทมีโอกาสเพิ่มได้เฉพาะส่วนหน้าเพื่อเปลี่ยนจากสภาพที่เป็นบทหนึ่งอันต่อจากบทก่อนในหนังสือเล่มใหญ่อันเดียวกันกลายมาเป็นหนังสือเล็ก ที่จบครบความในตัวเองซึ่งควรมีความนำเรื่องให้เป็นอิสระบทที่แยกออกมาแล้วได้เขียนส่วนแทรกและเรื่องแถมเข้าไปมากเป็ น, นหัวข้อใหญ่ๆทีเดียวมีตัวอย่างคือบทที่หาเรื่องกรรมซึ่งแยกออกพิมพ์เป็นเล่มย่อยเมื่อพุทธศักรา <irs> ช 2,531 เมื่อได้ข้อมูลพุทธธรรมเล่มเก่ามาตรวจจัดเพื่อตีพิ Ь มพ์ใหม่คราวนี้ ก็ทำให้ได้โอกาสนาเอาข้อมูลจากหนังสือเล่มย่อยเฉพาะบทเหล่านี้ใส่รวมเข้าด้วยผู้อ่านพุทธธรรมฉบับปรับขยายที่พิมพ์ใหม่คราวนี้เมื่อเห็นเนื้อความบางตอนซึ่งไม่มีในหนังสือพุทธธรรมฉบับปรับปรุงและขยายความก็อาจจะเข้าใจผิดว่าเป็นส่วนที่เขียนเพิ่มเติมขึ้นใหม่แต่ที่แท้นั้นก็เป็นข้อมูลเก่าเมื่อ20กว่าปีก่อนโน้นแต่เคียงคู่อยู่ข้างนอก เพิ่งได้โอกาสเข้ามารวมกันนี่คือก็เท่านั้นเองสำหรับเวลา20ปีนั้นนำจากหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์คือปีพุทธศักราช2555อีกแหลงใหญ่หนึ่งซึ่งกว้างกว่าที่ว่าเมื่อกี้ก็เป็นเรื่องเก่าเมื่อ20ปีมาแล้วคือพอหนังสือเข้าโรงพิมพ์ ความคิดที่จะเพิ่มตรงนั้นตรงนี้ก็มีทันทีแต่การพิมพ์ก็คือปิดรายการทำให้เพิ่มเติมอะไรไม่ได้หมายความว่าพอเขียนอะไรเสร็จไปประเดี๋ยวก็มีความคิดจะเพิ่มเรื่องนั้นจะเติมแง่นี้ตลอดเวลาเมื่อตนฉบับยังไม่ถูกการพิมพ์ปิดก็จะเพิ่มไปเรื่อยเมื่อพุทธธรรมเป็นเล่มออกมาใหม่ในระยะยี่สิบกว่าปีมาแล้วนั้นได้พูดบ่อยว่า อยากจะเขียนขยายและเพิ่มอีกสมถึงสบทแต่ก็ไม่มีโอกาสเขียนและถึงเขียนก็พิมพ์ใส่เข้าไปไม่ได้จึงไม่มีจุดกำหนดหรือบังคับให้เขียนพูดอยู่สักสิบปีเมื่อไปวุ่นกับงานอื่นตอนหลังๆก็เลยจางไปจนบัตินี้ไม่แน่ใจว่านึกออกได้ครบหรือไม่แต่ที่เราลึกแม่นอยู่บทที่คิดเวลานั้นว่าจะเพิ่มขยายในพุทธธรรม คือ 1. เรื่องโยนิโสมนัสิการ 2. เรื่องการศึกษา 3. เรื่องความสุขโยนิโสมนัสิการเป็นเรื่องที่ไม่ใช่แค่สําคัญมากแต่เป็นเรื่องที่ต้องรู้เข้าใจและใช้ให้มากด้วยในหนังสือพุทธธรรมเก่ามีอยู่แล้วเป็นบทที่18และได้แยกออกมาพิมพ์เฉพาะบทเป็นเล่มย่อยต่างหากแล้วด้วย อีกทั้งในเล่มย่อยนั้นก็ได้เขียนส่วนนำเรื่องเพิ่มเข้าไปยาวพอสมควรแต่ที่อยากจะเขียนเพิ่มเติมขยายออกไปก็คือตัววิธีคิดสิบอย่างซึ่งที่เขียนไว้ได้อธิบายเพียงแค่แสดงหลักโดยใช้ตัวอย่างจากถ้อยคำและเนื้อความในคำภีสิ่งที่ค้างอยู่อยากจะทำคือการอธิบายโดยใช้ข้อสาทกและตัวอย่างในชีวิตประจาวัน และสถานการณ์ของยุคสมัยที่ถึงกันกับปัจจุบันดังที่กล่าวแล้วว่าการทำหนังสือพุทธธรรมฉบับรับขยายออกมานี้มีจุดหมายในขอบเขตอันชัดเจนว่ามุ่งที่จะพิมพ์หนังสือเล่มเก่าขึ้นมาใหม่ให้สำเร็จเท่านั้นส่วนที่เพิ่มก็แค่แทกแค่แถมไปในระหว่างที่ตรวจจัดข้อมูลการเขียนอธิบายเรื่องโยนิโสมนสิกาอย่างที่ว่านั้นเป็นงานเต็มเรื่อง ไม่ใช่แค่แทรกหรือแถมจึงเลยขอบเขตของงานตรวจจัดข้อมูลครั้งนี้และจึงยังคงเป็นงานที่รอคร้างต่อไปต่อเมื่อเวลาผ่านมาถึงขนาดนี้ก็คงเลิกพูดได้ว่าจะมีโอกาสเขียนเพิ่มขึ้นอีกอย่างไรก็ดีได้มีท่านอาจารย์ผู้ใหญ่ที่เน้นความสำคัญของโยนิโซมนาสิการคือท่านศาสตราจารย์สุมลอมอนวิวัฒขออนุ ญ, ญาตออกนาม ท่านคงไม่ว่าอะไรได้เขียนเรื่องนี้ออกมาเป็นหนังสือคงจะสองเล่มหรืออย่างน้อยสองเล่มท่านเริ่มเรื่องนี้มานานแล้วอีกแห่งหนึ่งที่คณะศึกษ า, าศาสตร์มหาวิทยาลายาัยเกษตรศาสตร์ดรอาภาจันทราสกุลก็นำให้นิสิตทำงานวิจัยเรื่องโยนิโซมานาสิการมาหลายรุ่นจนกระทั่งท่านกเกษียณอายุราชการ